ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอพูดเกี่ยวมาตุคามด้วยวาจาช่วยหยาบจริงหรือท่านทนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงตาหนิว่า โมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนั้นเธอจึงพูดเกี่ยวมาตุคามด้วยวาจาช่วยหยาบเล่าโมฆะบุรุษเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายความกำหนัดไม่ใช่เพื่อความกำหนัดเราบอกการระ ง, งับความกัดกกลุ้ม